ห้าอุททกูปมาสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ํา 15. ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ําเจ็ดจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้จมแล้วครั้งเดียวยังจมอยู่นั่นเอง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้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 บุคคลผู้โปรขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โปรขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิหริดีมีโอตต ป, ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญ เสื่อมไปฝ่ายเดียวหิวหริของเขานั้นโอต ป, ปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเสื่อมไปฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิหริดีมีโอต ป, ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่หิหริของเขานั้นโอตปะของเขานั้น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 ได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิหริดีมีโอต ป, ปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยตเบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพชั้นสุทาวาสนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นภิษุทั้งหลาย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 อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกสุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฟังเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกเป็นอย่างนี้แลภิกสุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก อุทกูปมาสูตรที่หาจบ